ไปมาหาสู่ด้วยความเคารพนับถือยกย่องบูชาต่างๆก็ทำให้สาวกบางพวกนั้นกลับมาหมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาภูที่ไปหาและในลาภผล ในสักการะบูชาทั้งหลายก็ก่อกิเลสให้มังเกิดขึ้นกิเลสนั้นก็กลับทำลายสาวกเช่นนั้นให้เสียไปอีกทำให้ไม่ได้บรรลุความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตามที่ต้องการและก็ตรัดเปรียบเทียบไว้ว่าในสามจะพวกนี้ จำพวกหลังคือบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเองที่แม่เข้าป่าแล้วกลับเสียไปเพราะความเคารพ บ, บูชาของบรรดาประชาชนที่เข้าไปหาทำให้กิเลสกำเริบจำพวกนี้มีโทษแรงกว่าแล้วก็ตรัสสอนต่อไปว่า ขออย่าให้บรรดาพันทั้งหลายเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูแต่ขอให้เรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตรก็จัดอธิบายว่าทำอย่างไรจึงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรู คือบรรดาภูที่ฟังธรรมของพระองค์จะเป็นบรรนชิตก็ตามจะเป็นกระหัดก็ตามไม่ตั้งใจฟังส่งใจไปในที่อื่นและประพฤติตนออกนอกศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้ ทรงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูส่วนบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อพระองค์สั่งสั่งทรงสั่งสอนว่าคอนี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลคอนี้เป็นไปเพื่อสุขเป็นต้นก็ตั้งใจฟัง ไม่ทรงใจออกไปนอกธรรมะที่ทรงแสดงและไม่ประพฤติตนออกนอกจากศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้เรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตร และพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าพระองค์ไม่ทรงประครับประคองท่านทั้งหลายคือสาวกทั้งหลายเหมือนอย่างในช่างปั้นหม้อที่ต้องประครับประคองหม้อดินดิบที่ปั้นใหม่ ซึ่งกำลังเป็นดินดิบอยู่แต่ว่าพระองค์นั้นได้ตรัสข่มสกัดกั้นได้ตรัสส่งเสริมดังนี้คือบุคคลที่ควรข่มที่ควรสกัดกั้นไว้ ก็ตรัดคมตรัดสกัดกัน้นบุคคลที่ควรที่จะส่งเสริมก็ตรัดส่งเสริมดังนี้และก็ตรัดว่าบุคคลใดเป็นสาระคือก่นสารหรือว่ามีสาระคือกันสาร บุคคลนั้นจักตั้งอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องคอยตรวจตราดูสาระคือกัสารในตนเอง ดูความคิดความเห็นความประพฤติการกระทาต่างๆของตนทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างไรถ้าไม่เป็นสาระแก่นสารก็ต้องละเสียและเมื่อ คำพูดคิดอะไรไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละเป็นภูที่พระพุทธเจ้าทรงข่มสกัดกัน้นไม่ทรงประครับประคองและตนเองก็ต้องคอยข่มสกัดกั้นตนเองไม่ให้ไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นให้ว่างจากสาระแก่นสารให้ว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารอันนี้แหละเป็นสุญญาตาที่ถูกต้อง ว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารและสิ่งใดที่เป็นสาระแก่นสารก็ถือเอาไว้ปฏิบัติอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างจากสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแต่ให้ว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารส่วนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารนั้นอย่าให้ว่าง ให้มีอยู่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสุญญ า, านั้นจึงไม่ใช่หมายความว่าทีแรกก็ให้วางกันไปเสมยหมดไม่ต้องมีอะไรจะยึดถือทั้งนั้นในการปฏิบัติสามวันไปนั้นจึงต้องให้วางจากความไม่ดีความชั่วแต่ว่าให้มีความดี อย่าให้ว่างจากความดีให้มีความดีที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปและเมื่อสุดชั่วก่สุดดีคือเป็นพระอาหารหันนั่นแหละจึงเป็ น, ป น, ปนอันวาวางบทกันสักทีหนึ่งถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันแล้วก็จะต้องทิ้งไม่ดียึดดีไว้ว่างจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่างจากสิ่งที่ดี ปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับจนถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อไหรก็เป็นอนงว่างหมดทั้งดีทั้งชั่วเก็จะนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงขั้นถึงตอนที่จะไปว่างหมดคิดว่าจะว่างหมดสุญญตาหมดก็เป็นการคิดผิดปฏิบัติผิดพราะนั้นขั้นของธรรมะที่ปฏิบัตินั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญต้องมีความเข้าใจ และเมื่อปฏิบัติถูกต้องดังนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทงความตั้งัวสือกต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นสีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้สร้างอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติและทุกทุกท่าน ก็น่าจะได้มีอุปนิชยแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างมาแล้วน้อยหรือมากท่านแสดงถึงอุปนิชย์สสาม คือทานูปนิสั ย, อ, ส ย, สยอุปนิสัยแห่งทานสีลลปนิสัยอุปนิสัยแห่งศีนภาวนูปนิสัยอุปนิสัยแห่งภาวนาคือการปฏิบัติ อบรมจิตใจในสมถะวิปัสนาบางคนมีอุปนิสัยข้อใดข้อหนึ่งที่ได้สร้างมามากและ บางข้อก็ได้สร้างมาน้อยแม้ว่าจะได้สร้างมาน้อยในข้อใดข้อหนึ่งก็ยังเป็นอุปนิสัยที่จะนำให้ได้สร้างยิ่งยิ่งขึ้นไป และโดยเฉพาะข้อภาวนานั้นบางท่านได้สร้างมามากแต่ว่าย่อนในข้อทานข้อศีลแม้เช่นนั้นก็อาจจะ นำเข้ามาสู่ทางที่ถูกได้ถึงแม่ข้อทานข้อศีลก็เหมือนกันได้สร้างมากกว่าข้อภาวนาก็นำให้เข้ามาสู่ทางที่ถูกตลอดจนถึง ให้ปฏิบัติในภาวนาอบรมสมถะวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นได้ฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรที่จะมินตนเอง ว่าเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ไม่สามารถแต่ให้เริ่มตั้งต้นปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาแม้ว่าจะเล็กน้อย ก็ยังดีเมื่อได้ทำบ่อยๆเข้าก็ย่อมจะมากขึ้นได้จึงได้มีพระพุทธภาสิทธิ์ที่ตรัสเปรียบไว้ในธรรมบทว่าควรทำชั้นทะ คือความพอใจในการกระทําบุญแม้ทีละน้อยฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดก็ย่อมทำภาชนะที่รองน้ำให้เต็มได้ การทำบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมทำให้บุญเต็มขึ้นมาได้มากขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเลนเล่อเพลอเพลิ น, ลนในบุญญากิริยาคือการกระทำบุญทั้งหลาย ได้มีเล่าถึงประเทระรูปหนึ่งก่อนแต่ท่านจะบวดได้เป็นพรานป่าคาาสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำก็ดูเหมือนเป็นคน ใจบาปกระทำบาปอยู่เป็นอาชีพเป็นประจำในวันหนึ่งเมื่อไปล่าสัตว์ดักสัตว์ในป่า ได้มีความกระหายน้ำก็ได้เข้าไปในที่อาศัยของประเทรละรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าประสงค์ที่จะได้น้ำดื่ม ก็ได้เห็นตุ่มน้ำตั้งอยู่จึงได้เข้าไปเมื่อเข้าไปถึงก็เห็นตุ่มน้ำเปล่าไม่มีน้ำในขณะนั้นพระเถระท่านได้ เดินอยู่ในที่นั้นในพรานจึงได้ร้องไปที่ท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เกียจคร้านไม่ตักน้ำมาใส่ตุ่มเอาไว้แม้เพียงตุ่มเดียวสำหรับที่จะได้ดื่ม อาจใส่ไข่อยพระเทระยังได้เดินเข้ามาที่ตุ่มน้ำซึ่งท่านได้ตักน้ำใส่ไว้เต็มตุ่มแล้วจึงได้เอาภาชนะน้ำตักน้ำในตุ่มนั้นส่งให้ในพรานในพรานก็ได้ดื่มน้ำ ไม่พอท่านก็ตักให้เป็นครั้งที่สองก็ดื่มเป็นครั้งที่สองครั้งดื่มน้ำแล้วก็มีความสลดใจในตนเองว่าได้ประกอบกรรมที่เป็นปานาธิบัต มาตลอดเวลาชาา น, านและได้มาประสบเหตุการณ์อันแสดงถึงความเป็นผู้ที่ได้ประกอบปานาติบัตรกรร ม, มามากน้ำเต็มตุ่มก็มองไม่เห็นน้ำ ได้สติขึ้นมาจึงได้เข้าไปกราบพระเทระวางอาวุธทั้งสิ้นและขอบวดพระเทระก็บวดให้เป็นสามนเณรก่อนและเมื่อสามนเณรนั้นบวดแล้ว ก็ได้ตั้งใจประกอบกจิตภาวนาอบรมจิตในสมถะปัตสนาแต่ก็ไม่ได้ความสงบแห่งจิต เมื่อนั่งทําความสงบทีไรก็นึกไปถึงปานาติบัติที่ตนได้กระทาปรากฏเป็นภาพแห่งสักทั้งหลายที่ได้ถูกฆ่า มาหลอกหลอนอยู่ในจิตเป็นประจำจนรู้สึกตนว่าจะไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปได้จึงได้ขอลาศึกวายประเทระ ก็สั่งให้สมณเณรนั้นไปนำไม้สดมาและก็ให้จุดไฟเผาไม้สดนั้นสมณเณรก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติด ที่ไม้สดนั้นได้ไยพระเทระท่านก็ได้อบรมโดยปุคลาทิฐานแสดงให้เห็นว่าไฟนรกอันเป็นที่ตกหมกไหมของผูประกอบศุลกรรมต่างๆนั้น แม้เพียงนิดเดียวก็เผาไหม้ไม้สดนั้นได้ให้สมณะเนนได้เห็นชัดว่าการที่จะต้องไปตกนรกหมกไหม้นั้นจะต้องประสบกับความร้อนของไฟนรก เป็นอย่างยิ่งก็เป็นเหตุให้สมณะเรนีในความสลดใจไม่สึกประกอบตนปฏิบัติในศีลสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ข, ขึ้นในภายหลัง ก็ได้รับความสงบแห่งจิตใจไปโดยลำดับซึ่งท่านได้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นซึ่งเดิมเป็นพรานป่าได้เป็นภูที่มีอุปนิสัยในฐานละศีลอ่อน แต่ว่ามีอุปนิสัยในภาวนาซึ่งได้บำเพ็ญมาแล้วมีกำลังเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ประกอบอากุตุลกรรมมาเมื่อก่อนบสถ์โดยเป็นพรานป่ามีอาชีพในทาง ้าสัตว์มาจำนายเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำแต่ว่าบาปรกรรมนั้นไม่ได้ถึงอนันติยกรรมจึงไม่เป็นเหตุห้ามมรรคผลถ้าหากว่า ไม่ได้พบทางที่ถูกมาปฏิบัติสมณธรรมให้บรรลุถึงมรรคผลก็ต้องไปถือภพชาติต่อไปก็ย่อมจะไม่พ้นจากนิรยาบายแต่อาศัยที่ ได้มีอุปนิสัยแห่งภาวนามาแม้ว่าจะหย่อนในทานในศีลก็ตามก็ยังชักนำให้เข้ามาพบพุทธศาสนาการที่ต้องการจะดื่มน้ำ แต่ไม่พบน้ำในตุม่มทั้งที่มีน้ำเต็มอยู่แต่เห็นว่าเป็นตุ่มเปล่าก็อาจจะเป็นสิ่งชักนำให้กลับตัวได้ก็เป็นได้ก็เห็นว่าถ้าได้เห็นน้ำเต็มตุ่มอยู่โดยปกติและได้ดื่มน้ำ ก็อาจจะไม่ได้สติและเข้ามาบวชปฏิบัติเพิ่มเติมภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลชักนําให้มาประสบกับเหตุอันเป็นเครื่องชักนําให้กลับตัวได้ นำมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางแห่งมรรคผลได้อาศัยพระเทระเป็นกันลยาณมิตรซึ่งได้นำทางในทางที่ถูกส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพิ่มเติม จนได้ความสงบแห่งจิตยิ่งยิ่งขึ้นอันสมควรที่จะบรรลุมรรคผลได้ฉะนั้นในวันหนึ่งเมื่อได้เขาเ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธอุทานขึ้น ซึ่งแปลความว่าภิกษุเมื่อ น, น้อมใจพิจารณาว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมี ถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีเมื่อน้อมใจพิจารณาอยู่ดังนี้ก็จะตัดสัญญ์ คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจห้าประการเบื้องต่ำได้ดังนี้ภิกษุนั่นเมื่อได้ฟังพระพุทธอุทานนี้จึงได้กราบทูลถามอธิบาย ในพระพุทธอุทานที่ได้ทรงเป่งขึ้นนั้นพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสประธานพระพุทธอธิบายโดยความว่าบุคคลภูที่ไม่ได้สดับแล้ว ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ